พาราส ก, การค่ะหลวงตาคือหลวงตาพูดถึงปล่อยวางผู้รู้ผู้คิดอะคะ่ะให้สิ้นผู้รู้ผู้คิดคือหนูก็แบบเหมือนเหมือนพยาพยามพยายาม ฝึกตรงเนี้ค่ะจากครั้งที่แล้วที่มากลับลงตาเฮ้ย hey, หมือมันก็มันก็มีอาการมันก็มีความสงสัยว่ามันมีมันมีจุดที่เราจะสามารถจุดบ่งชี้ให้เราเห็นว่ากิริยาของอาการปล่อยวางผู้รู้ผู้ขีต่ะค่ะมันมันมีกิริยาหรือมันมีตัวบ่งชี้อะไรไหมคะหรือว่าแค่การที่เราแบบเห็นเห็นเรื่องใหม่เหมือนกับ เห็นรถไฟขบวนใหม่หรืออะไรเงี้ยค่ะมันแค่นั้นพอไหมหรือว่าคือเหมือนมันหนูพยายามหนูก็เข้าใจว่าหนูพยายามหาอยู่อะค่ะว่าอย่างนี้เราเรียกว่าเราปล่อยวางแล้วหรือยังปล่อยวางผู้รู้แล้วหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแต่ ก, ก็ก็พยายามเห็นว่าเราก็ยังกําลังพยายามควนหาอะไรอยู่อ่ะค่ะหลวงตาทีนี้ มันก็เลยมันสงสัยอ่ะค่ะคือคือคือเหมือนก็พยายามรวบรวมความรู้ทั้งหมดที่เคยแบบฟังหลวงตามาว่าเออมันก็ก็คือการรู้แต่ไม่สนใจคือเหมือนกับมันมันประกอบประกอบกันหลายหลายๆส่วนนะคะหนูหนูพยายามจะพยายามจะเหมือนต่อจิ๊กซอว์ค่ะหลวงตาทีนี้มันก็เลยเหมือนแบบไอ้คําเนี้ยมันติดอยู่ว่าแบบปล่อยวางผู้รู้จริงๆแล้วจริงๆแล้วมันคือทํายังไงอ่ะค่ะ คือแค่เห็นแค่นั้นพอหรือเปล่าหรือว่าเห็นแล้วต้องมีกิิยาอะไรต่อจากนั้นไหมห ร, หรือหรือหรือแค่เห็นเรื่องใหม่ไปเรื่อยๆมันก็คือการปล่อยวางผู้รู้ตัวเก่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไอใหม่ที่ส่งไปนี่ก็ได้ฟังอยู่เน้ะ เราจะมาถึงขั้นนี้ได้เลยไหมเนี่ยเมื่อเราอยู่ตัวคนเดียวเงียบๆอยู่ตัวคนเดียวเงียบๆไปเนี่ถึงว่าไม่ถว่าไปนั่งหลับตาเจ็เมื่อเราอยู่ตัวคนเดียวเงียบๆเนี่ยโอกาสทองเมื่อเราอยู่นี่อยู่ที่บ้านพักใช่ไหมเมื่อเราอยู่ที่บ้านพักอายการนะเราก็อยู่คนเดียวใช่ไหมเราก็สังเกตดูสังเกตตัวเราอยู่เงียบๆ สังเกตดูจิตที่มันเคลื่อนไหวแต่ใจไม่เคลื่อนไหวไม่ปรากฏกิริยาการได้ใจหรือจิตเดิมแท้หรือวิญญาณดั้งเดิมแท้วิญญาณเดิมแท้ที่มาเกิดเนี่ยไม่สามารถที่จะมีความคิดความนึกความตึกความตองทํากิริยาการใดๆ ไ, ไ, ได้เลยไม่จะไม่ปรากฏอะไรเลย แต่จะรู้ว่าสิ่งที่เคลื่อนไหวอะมีสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาในร่างกายหรือในจิตใ จ, ใจของเราเนี่ยมันมีสิ่งที่เคลื่อนไหวคือมีความคิดที่เคลื่อนไหวแต่ตอนนี้เจนคือไปเอาไอ้ตัวที่เคลื่อนไหวเป็นตัวเราซะเราแท้จริงเนี่ยเคลื่อนไหวไม่ได้ไม่มีกิริยาการใดเลยไม่กดอะไรเลยแ ต, แต่เห็นสิ่งที่เคลื่อนไหวรู้สิ่งที่เคลื่อนไหว แต่เราแท้จริงอ่ะคือผู้รู้นั่นที่เคลื่อนไหวไม่ได้ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างแต่นีเจนเอาเอาตัวที่เคลื่อนไหวเป็นเราเอาตัวสังขารพรงแต่งได้เป็นตัวเราหรือหลงเอาตัวเราไปสังขารไปดิ้นรนไปค้นหาไปคิดไปวิเคราะห์ไปตึกไปตองวิธีปฏิบัติเราจะต้องเราจะต้องเห็นเมื่อเห็นกิริยาการที่เคลื่อนไหวมีความคิดเกิดคลื่อนไหวในปัจจุบันนั้น จะต้องโยนิสโสมานสิการสอนใจตนเองทันทีเมื่อมีขณะมีกิริยาการนั้นเกิดขึ้นว่าความคิดปรุงแต่งทุกกิริยาการที่กระเพื่อมความนึกความตึกความตรองความดิ้นรนค้นหาหาเหตุหาผลหาความเข้าใจความสงสัยเหล่านี้มันเป็นอาการที่มีการกระเพื่อมได้ไหวตัวได้เกิดดับได้เปลี่ยนแปลงได้แสดงแอคชั่นได้แสดงการกระทาได้เป็นผู้แสดงได้ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราคุณเจ้าตัดไว้ชัดเจนมันเป็นขันธ์นะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะนั้นอาการกระตามที่มันไหวๆไหวๆเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเราต้องปล่อยวางมันหมดเลยตลอดเวลาเมื่อมันเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันเราจะต้องไม่หลงเอาตัวเราไปเป็นตัวสังขาร คือตัวที่ปรุงแต่งได้แสดงกิริยาการได้ที่ไปคิดไปนึกไปดิดโรนไปค้นหาไปวิเคราะห์ไปพยายามไปหาเหตุผลไปพยายามปล่อยวางไปแสดงแอคชั่นไปไปแสดงกิริยาการเป็นพยายามพยายามพยายามอะไรก็ตามเราทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเราแท้แท้เนี่ยเป็นจิตแท้ๆวิญญาณแท้แทหรือใจแท้ๆที่มาเกิดเนี่ยที่มาสิ้นความโง่แล้วเนี่ยสิ้นอวิชชาแล้วเนี่ย มันพุ่งแต่งอะไรไม่ได้เลยของแท้มันเป็นแต่ความว่างเปล่าไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่างด้วยมันเหมือนกับเป็นอวกาศที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยแต่รู้อยู่ว่ารู้อะไรก็รู้ว่าตัวเราเนี่ยไม่อาจาแสดงกิริยาการได้เราเนี่ยไม่มีตัวเราหรอกเราเนี่แหละแต่แทรู้ว่าเราแต่แทรเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เคลื่อนไหวแต่นอกจากเราแล้วเนี่ยล้วนทุกสรรพสิ่งล้วนเคลื่อนไหวหรืออาจจะกล่าวได้ว่า เราใจนัน่นแหละเป็นเราเราเนี่ยเป็นใจซิแต่ไม่ใช่ว่าเรามาถึงตัวเราที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แต่เราเป็นใจที่เคลื่อนไหวไม่ได้ไม่มีกิริยาการใดๆแล้วก็รู้ว่าใจไม่เคลื่อนไหวแต่นอกจากใจแล้วเคลื่อนไหวหเกิดดับหมดไม่หลงเอาสิ่งที่เคลื่อนไหวหเกิดดับที่ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ปรุงแต่งที่ดิ้นรนค้นหาที่วิเคราะห์วิจารณวิจัยที่พยายามพยายามได้เป็นเราเป็นตัวเราเลยเราจะถึงตรงนี้ได้ยังไงเราก็ต้อง เห็นอาการที่เกิดดับในปัจจุบันว่าทุกสังขารที่เกิดขึ้นไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราอย่าหลงเอาสังขารทั้งหมดเป็นตัวเราเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราใจเมื่อก็เห็นว่ามันเป็นสังขารใจก็ก็จะปล่อยวางสังขารที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันก็จะไม่ไปยุ่งกับสังขารเหล่านั้นเลยที่มันมีความคิดความนึกความสึกความตองความดิ้นรนค้นหาใจมันก็จะไม่ไปยุ่งกับสิ่งนั้นเลยเพราะว่าใจมันเคลื่อนที่ไม่ได้ไม่ปรากฏตัวใจ ได้แต่เห็นสิ่งที่เกิดดับอยู่มีความคิดความนึกความตื่นความตองแต่ไม่มีใครไปยึดถือไอ้ความคิดความนึกความตื่นความตองความพรุงแต่งนั้นเลยต่อให้มันจะคิดดีคิด่ีคิดบุญคิดบาวคิดกุศลอกุศลยังไงกันนคิดคิดคิดคิดคังไ่ะมันไม่ได้ยึดเอาสิ่งนั้นเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเลยเมื่อสิ้นความยึดถือสังขารทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นใจที่ไม่สังขาร โอ้มันไม่ยึดถือสังขารทั้งหมดนะมันจะเป็นอะไรได้มันก็เลยกาเป็นใจที่ไม่สังขารเรียกว่าวิสังขารส่วนสังขารทั้งหมดไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนเราต้องไปเห็นสังขารนั่นก็เห็นอยู่เนี่ยเห็นมันเกิดเกิดดับดับเกิดเกิดดับดับเกิดเกิดดับดับจะไม่มีใครไปสำรวจไม่มีใครไปลองรับไม่มีใครไปยึดมั่นถือวั่นก็เห็นมันอยู่ตำตำตายอย่างเงี้ยตอนน้าต่อตายอย่างเงี้ยเห็นในความรู้สึกในคิดอารมณ์มันเกิดเกิดดับดับเกิดเกิดดับดับอย่างเงี้ยแต่ไม่มีใครไปเสำรวจไม่มีใครไปยึ ต้องฝึกอย่างเนี้ยฝึกอย่างหนักทุกขณะปัจจุบันโยนิโสมนัสติการไว้ว่ามันบอกมันสอนตัวเองทุกสังขารว่าสังขารทั้งหมดไม่ใช่เราที่แสดงแอคชั่นได้แสดงกิริยาการได้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราใจมันเห็นเป็นสังขารมันก็วางไปวางไปวางไปแล้วมันสอนบอกมันไม่นานหรอกมันก็จะค่อยเชื we we ่อใจมันก็จะเชื Rather, glaub, <audio> ่อเองเวลาบอกสอนแมวสอนหมาอะไรเงี้ยเราบอกบ่อยๆมันก like ็เชื่อค่อยๆเชื่อไปว่าสังขารทั้งหมดไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรา เมื่อปล่อยวางสังขารทั้งหมดมันก็เลยปล่อยให้สังขารเนนะี่ยมันเกิดเองดับเองเกิดเองกับเองเกิดเองดับเองโดยไม่มีใครเป็นสวยไม่มีใครปเรครป็ยึดมันดม่นถือมั่นประหลานทั้งหลายท่านก็สิ้นตรงนี้ที่เรียกว่าสิ้นผู้สวยหรือสิ้นผู้ยึดมัน่นถือมั่นไม่ทราบว่าเจนจะเห็นตรงนี้ได้ไหมเราจะเข้าใจถึงตรงนี้มันได้ไดดไหรือไม่ล่ะที่ดวงตาพูดเนี่ยมัน เป็นยังไงล่ะมันเข้าใจถึงใจได้ไหมมันเหมือนแบบใจมันก็เหมือนแอบบอกว่าอันนี้เราเคยฟังแล้วอันนี้เราเคยรู้แล้วอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนใจมันยังมีความรู้สึกว่านี่เรายังทําไม่ได้หรออะไรเงี้ยค่ะนี่ไงตรงนี้อที่เจนไม่รู้เท่าทันไม่รู้เท่าทันอ่ะไม่เห็นไม่รู้เท่าทันว่ะตรงนี้เหมือนกับเราเคยฟังแล้ว ตรงนี้เราจำได้แล้วตรงนี้เราฟังบ่อยแล้วตรงนี้เราคงทำไม่ได้หรอกอันนี้เป็นอะไรทั้งหมดเนี่ยเป็นสังขารเออใช่แต่เจนไปเอาตัวนี้เป็นตัวเราหมดเลย<อ>ไปเอาตัวนี้เป็นตัวเราเลยแล้วเอาตัวเราไปไปคิดจอยจอยจอยจอยอยเลยแต่เจนไม่เห็นว่าตัวที่คิดเนี่ยไม่ใช่ตัวเรารตรงนี้เราก็ฟังมาม า, มากแล้วอาจารย์พูดบ่อยมากเลย เราฟังมานานแล้วแล้วเราก็ฟังมาบ่อยมากเราก็จําได้เราคงทําไม่ได้หรอกเราเราเราเราแล้วตัวนี้มันเป็นอะไรมันเป็นสังขารหรือเป็นอะไรมันเป็นสังขารแต่เราไม่เห็นมันไนงะเราไม่เห็นมันพอเราไม่เห็นมันเราก็เลยไปเป็นมันนะเราไม่เห็นสังขารเราเลยเลยไปเป็นสังขารแล้วถ้าหนูแค่แบบเห็นสิ่งที่หนูคิดแค่เนี้ไม่พอใช่ไหมคะหมายถึงว่าสิ่งที่หนู พูดแท้จันฟังแต่แกนหนูก็เห็นว่าหนูคิดแบบเนี้ค่ะคือเหมือนเวลาแบบมันเกิดอะไรขึ้นหรือฟังใครพูดหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะคิดในใจมีภาคภาคบ่นในใจก็ก็พยายามเห็นไอ้ตัวที่กําลังพูดกําลังคิดกําลังบ่นในใจไปอะค่ะลงมาก็คือก็อันนี้ก็ฝึกมาถึงก็ฝึกขึ้นมาได้เรื่อยๆแล้วล่ะอันนี้ก็ถือว่าฝึกอยู่ก็ค่ะแต่เจเนี่ยมันจะเหลียวใจเองค่ะ ที่เจนพูดมาหนูพยายามที่จะเห็นไใ้ตัวหนูนั่นพู้าวพูดบนอยู่อย่างนี้หนูฝึกไม่ถูกหนูฝึกถูกหรือเปล่านะถ้าหนูหนูพยายามอย่างเงี้ยไอ้ที่หนูเนี่ยพยายามจะเห็นตัวหนูพูดเนี่ยไอ้ตัวนั้นนั่นเป็นอะไรขังขามเออถ้าเราไม่ไม่จะเหลียวใจแล้วไม่เห็นเปนอย่างเงี้ยเราก็กลายเป็นตัวสังขารไปเรื่อยไปว่าหนูพยายามเห็นตัวหนูพูดอยู่หนูพยายามเฮ้ยเราพยายามเฮ้ยมันทำไมเห็นไม่ทันวะเฮ้ยทำไมยากจำเร่งขึ้นจะปีกขึ้นเเร่งไม่ได้มันทันขึ้นให้เห็นตัวเราพูดอยู่ใในจ ไอ้ตัวเราเนี่ยที่มาเร่งส ป, ปีดที่มันพยายามมันก็เป็นสังขารทั้งหมดเลยเพราะอะไรเราลืมไปเลยว่าเราสังขารไม่ได้เราก็เลยไปเอาสังขารแล้วเป็นตัวเราหมดเลยเพราะเราลืมไปเลยเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยดูก็เริ่มไปไม่ถูกแหละใจมันก็เลยไม่ปรุงแตง่งแล้วก็สังขารก็ปรุงแต่งขึ้นมาเองเกิดเองกับเองเห็นไหมพอมันตันแล้วใจมันก็ปรุงแต่งไม่ได้ มันเหมือนจะคิดว่าจะพูดอะไรแต่มันก็อึ้งนะคะไปต่อไม่ถูกก็ถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งแล้วมันจะมันจะไปต่อได้ไงนั่นแนะคือใจที่ไม่ปรุงแต่งหนูเคยเจอมันเรื่อยๆแน่แต่หนูก็ทิ้งมันไปที่หนูว่าอึง้งแล้วสุดท้ายแล้วหนูอยากจะพูดอะไรแต่ก็พูดไม่ออกแต่ที่พูดไม่ออกแต่ในความพูดไม่ออกก็รู้ว่ามีอะไรพูดอยู่ เลยเห็นว่าไอ้พูดที่พูดไม่ออกแต่ก็ไมีอะไรพูดอยู่นี่พูดไม่ออกนะั่นแหะมันเป็นธรรมาชาติที่คู่กันหนือเจอมันอยู่บ่อยๆแล้วไอ้ที่พูดไม่ออกนะนะั่นเองเห็นไหมพอ ถ, ถึงตรงนี้ไม่มีอะไรจะพูดพราะพูดไม่ออกไอ้ที่พูดออกนะั่น ยังเป็นสังขารอั้งนั้นทุกคนเกิดมามีใจที่ไม่ปุ๋งแต่งแล้วทั้งนั้นแต่เราไม่เห็นมันเพวกเราแต่คิดคิดคิดคิดคิดคิ ด, คดพูดพูด พ, ด พ, ดพดูพูดเราเลยไม่เห็นมันพอโสดาบาันเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปจสมอ พระหลานเห็นว่าโอ้ในความเกิดดับมีความไม่เกิดไม่ดับเว้ยนั่นแหละคือใจที่ไม่เกิดไม่ดับที่ท่านบอกว่าปฏิบัติไปให้ถึงความไม่เกิดไม่ดับในความเกิดดับมีความไม่เกิดไม่ดับพูดไม่ออกคิดไม่ได้ไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรชื่อสมมุติมันว่าพุทธะหรือใจก็ได้หรือจิตเดิมแท้ก็ได้ ทิฏโนบไปให้สุดขุดไปถึงก็นี่แน่ไปถึงความไม่เกิดไม่ดับผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงพลานิพานใจที่ไม่เกิดไม่ดับไม่อาจคิดปุงแต่งได้ถึงจะพูดยังไงก็พูดยากเมื่อถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยหนูก็จะรู้เองว่าแล้วเราจะตรงเนี้ยเราจะอธิบายคนอย่างอื่นเข้าใจะยังไงเพราะคำอธิบายอะไรมันเป็นคําพูดเป็นปรุงแต่งทั้งหมด เราจะเอาความไม่ปรุงแต่งมาพูดในคนทั้งหลายเห็นได้ยังไงเพราะที่พูดออกมามันคือความปรุงแต่งหมดเมื่อนูเนี่ยพบตรงนี้แล้วพบใจที่ไม่ปรุงแต่งอ่ะต่อไปนูจะเวลาจะพูดให้ใครฟังนูจะพูดยังไงอ๋อความไม่ปรุงแต่งเพราะมันพูดไม่ออกมันไม่มีความคิดอะไรในนั้นแต่ในความไม่มีความคิดมันก็มีจุกจิกจุกจ๊กอยู่ แต่จุกจิ๊จุกจกมันไม่ใช่ใจที่ไม่จุกจิกความจุกจิ๊จุกจกมีอยู่แต่ใจมันเกิดอยู่ในใจที่ไม่จุกจิกจุกจิกความอาการของจิตมันจุกจิกจุกจิกุกๆๆกจ uh ุกจกยังมีอยู่ตลอดเวลาแต่ใจมันไม่เกิดไม่ดับใจที่ไม่เกิดไม่ดับนี่เป็นอมตะไม่แตกไม่ดับไม่ทำลาย เป็นมาตั้งแต่นี้ตั้งแต่ชาติแรกจนถึงปัจจุบันและอนาคตตาการเป็นอมะตะไม่วันแตกไม่ได้เพราะมันไม่มีอาการเกิดมันจึงไม่มีอาการดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมดับหมดรอจนกว่าจะสิ้นอายุขยัยอาการทุกชิดคือจริงจะดับไปเหลือแต่ใจที่ไม่อาจพูดได้ไม่อาจาคิดได้ไม่อาจปรุงแต่งได้อย่างนี้เรียกว่าเราได้พบมันแล้วเรีย ก, กว่าพบธรรมแต่เรายังไม่ได้เป็นมันจริงๆเพราะว่า เรายังไม่ได้เป็นมันเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวก็หายไปแล้วเราก็าการไปหลงพุงแตกอีกแต่ถ้าเราเคยเจอซะแล้วเราก็บัรลบอกสอนหมอนมั น, มนเห็นมันบอกมีปัญญาเห็นมันรู้เท่าทานมันว่าสังขารทั้งหมดไม่ใช่ใจเลยเราเคยพบใจมาแล้วสังขารทั้งหมดไม่ใช่ใจที่ไม่ปพุงแต่งมันก็จะปล่อยวางสังขารทั้งหมดเองทุกขณะที่เราปล่อยวางสังขารหมดมันก็จะเป็นใจที่ไม่ปพุ่งแต่งเองก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปทำแต่เหตุ อย่าไปจับสร้างผลคือจับใจขึ้นมาเลยถ้าเราพยายามไปจับใ oriented, จมันจะกลายเป็นตัวที่พยายามนั่นแหละเป็นตัวปรุงแต่งเราจะกลายเป็นตัวปรุงแต่งบาทีจะไม่เป็นใจที่ไม่ปุงแต่งวิธีเดเข้าถึงใจที่ไม่ปุงแต่งคือต้องไปวางความปรุงแต่งยิ่งจะเข้าถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งมีเพราะเราทําเหตุอย like ่างนี้มันจะมัน <te> ถึงจุดนี้ได้เพราะว่าเรามาถึงจุดนี้แล้วบันทีเราไม่เข้าใจเหตุเป็นมาอย่างนั้นจมาถึงจุดนี้ได้จึงบอกตั้งเหตุแล้วเราต่อไปเราก็ตามแต่เหตุ แล้วก็ผลมันจะเกิดขึ้นบ่อยๆไม่ใช่ว่าเราพยายามไปจับผลแต่เราจับผลกลายเป็นเราเอาสังขารไปคงแต่เราเลยกลายเป็นตัวสังขารหมดโอกาสที่จะเป็นใจที่ไม่สังขารจะพบใจที่ไม่สังขารได้ต้องปล่อยวางสังขารในเดือนที่พระเจ้าตรัสว่าทำทั้งหลายก็รู้หมดแล้วน่นควรไม้น่นป่าชา้าน่นเรือนว่างเราอยู่บ้านพักอายการ คนเดียวโอกาสที่เราจะพบใจที่ไม่ปรุงแต่งมีไม่ยากอยู่สังเกตมันจุด่งียบเนี่ยปล่อยวางสังขารที่ปรุงแต่งไปทั้งหมดมันก็จะเป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งเมื่อเราปล่อยวางมันหมดแต่จริงๆมันก็จะพบใจที่ไม่ปรุงแต่งอยู่เรื่อยไปไม่เจอเราสิบกี่ปีนะตั้งแต่ ตอนนี้มาเจอที่ที่วัดที่ไหนนยหายไปกี่ปีไม่หายตาถูกออกลับมาไล่เราทันก็ใช้ได้แล้วหาคนฟังตรงนี้เรายากมากเลยเราพูดก็งมไม่เข้าใจเราพูดอะไรไม่เข้าใจ ฟังเราตรงลายไปตอนลหลังฟังไม่รู้เรื่องเลยเพราะก่อนยังฟังรู้เรื่องฟังซีดีแผ่นแกๆยังรู้เรื่องพอตอนลหลังบอกฟังไม่รู้เรื่องนี่ไม่เจอเราตั้งนานกลับมาไล่ทันใช้ได้แล้วแสดงว่าแปนพันแท้